ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งทําจากมาวิตรายศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสาธุสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยอนิสง์ในการให้ทานก็เป็นคำกราบทูลของกลุ่มเทวดากลุ่มเดิมจะเรียกว่าสตุลละปากาญิกา วันเาดี่มาควาพระพุทธเจ้าเป็นกลุ่มเจ0้ตนด้วยกันท่านได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของสัตว์บุรุษนะฮะสัพปริสสูตรนี่พูดเรื่องสัตบุรุษการคบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษแล้วก็มัชชริยสูตร ก็พูดถึงเรื่องของความสนีกับความประมาทที่เป็นปนัญหาประสักในการให้ทานแล้วก็จากนั้นก็พูดถึงทานในระดับต่างๆอีกประสูตรที่จะกล่าวนี้เรียกว่าสาธุสูตรก็พูดเรื่องทานเหมือนกันแต่การกล่าวในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนกัน คือหมายความประโยคต้นๆเนี่ยจะตรงกันแต่จะมาต่างในประโยคสุดท้ายแต่ลักษณะของทานมันจะประนีตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคุณภาพจิตก็จะสูงขึ้นไปโดยลำดับตามปกติแล้วทานนั้นจะมีองค์ประกอบอยู่ก็สามสี่เรื่องนะฮะถ้าสมบูรณ์ก็คือสี่เรื่อง กันเรียกว่าเป็นคุณสมบัติวัตถุสมบัติฮะวัตถุสมบัติก่อนหมายความว่าผู้รับจะต้องเป็นพระญาบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีคือพู ง, ง่ายว่าพระอนาคามีกับพระอราหันต์หรือท่านที่สามารถเข้าในรสสมาบัติได้ แล้วก็สองปัจจัยสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยปัจจัยในการสแสวงหาในการได้มาในการถือครองในการบริโภคใช้สอยทุกลาดับขั้นตอนนั้นบริสุทธิ์ยุติด้วยตัวบทกฎหมายและก็ศีลธรรมคือไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังจากให้มีกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนให้ก็มีใจผ่องใสขณะให้ก็มีใจแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็หลังจะให้ไปแล้วคิดถึงเมื่อไหร่ก็เกิดปิติประโมทในสิ่งที่ตนเองได้กระทาแล้วข้อที่4ีนี่ค่อนข้างยากคือคุณาจิเรกสัมปทาหมายความเป็นการให้ทานแก่ท่านซึ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆและเราก็ให้เป็นคนแรก แต่ในกรณีนี้เป็นการพูดเจาะจงพระอรหันต์ทั่วไปนะฮะกับพระอนาคามีแต่สมรับพระพุทธเจ้าแล้วในกรณีของจุเลกษาด ก, ก็ดีในสมุนมาลาการก็ดีพระพุทเจ้าไม่ได้ออกจากนี้รดสมบัติแต่ว่าเกิดผลในรูปของการดนลบัรดาอย่างที่เคยเล่าไว้ในวั น, นก่อน เทวดาเหล่านี้ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าคือพบพระสูตรหลายพระสูตรประมาณสี่ห้าสูตรนะฮะเท่าที่เจอมาแล้วเนี่ยเป็นเทวดากลุ่มเดียวกันมาคว้าพระพุทธเจ้าในวาระที่แตกต่างกันออกไปอีพระสูตรหนึ่งคือผ่านมานานแล้วเรียกว่าสกิลสูตร คือสูตรที่เป็นการประรบเรื่องพระเทวทัตกลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าจนสะเก็ดหินไปกระทบที่พระบาทจนห่อพโลหิตตอนนั้นรุ้ยเจ้าประทับอยู่ที่มัตทา ก, กุจิมรุกขายวันที่กรุงราชฤทธิ์เทวดากรุ่มนี้ก็ไปเฝ้า แล้วก็กล่าวตำหนิติเตียนคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะนั้นกล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณแต่ในกรณีของท่านเนี่ยมันเป็นการเล่าจากประสบการณ์ของท่านแต่ว่าเป็นการบอกเล่าจากอาจารย์อีกทีหนึ่งซึงก็เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ท่านบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ แล้วอาจารย์ก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นเพราะได้ให้ทานด้วยแล้วก็รักษาศีลด้วยแต่พวกท่านนั้นรักษาศีลอย่างเดียวแต่ก็ท่านก็เชื่อมโยงว่าถ้าท่านไม่ได้คบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะสมาทานศีนผลจึงชืดชืดชืดชมในการครบหาสัตวบุรุษ แล้วก็ชื่นชมในการให้ทานแล้วในขณะเดียวกันก็มองเห็นผลดีงามจากทานเนี่ยในระดับที่ลึกซึ้งออกไปโดยลำดับที่จริงประสูตรในแนวนี้เราเจอบ่อยก็วันนี้เห็นว่าน่าจะขยายประเด็นตรงนี้ออกไป คือมาความเอาพระสูตรอื่นมาประกอบด้วยคือถ้าตั้งฟังสังเกตว่าวันจันทร์เราจะมีคำถามที่เกี่ยวกับสังฆทานกับปฏิบุคลิกทานหรือการให้เจาะจงบุคคลกับการให้แก่สงฆ์ซึ่งเวลานี้ก็รู้สึกว่าจะกลายเป็นแฟชั่นมีสังฆทานสำเร็จรูป ซึ่งก็มีปัญหาแก่ผู้รับมากก็คือพระที่รับไปเนี่ยเจอของที่หมดอายุบ้างและเจอของที่ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยก็จะเจอกันเยอะโดยเฉพาะที่รับสังฆทานกันมากๆแล้วกว่าจะเปิดเนงยก็ส่งต่อไปไม่เรื่อยนะส่วนใหญ่ก็จะไปเปิดที่ต่างจาังหวัดคือพระที่รับสังฆทานแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้พอเห็นสมควรก็จัดการส่งไป ไหว้พระในต่างจังหวัดหรือไปช่วยเหลือชุมชนแต่ตัวเองก็ไม่ได้ดตรวจของนั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราลองสวดก็จะเจอว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นของชีหมดอายุแต่ว่าที่จริงสังฆทานเนี่ยมันเป็นกุศลละเจตนาระดับสูงคือจิตใจเราไม่ได้เกี่ยวกับที่ตัวคน แต่ไ่้เกี่ยวกับที่กรรมโดยไม่คํานึงว่าผู้รับนั้นจะเป็นใครแต่ถ้าเราต้องการระดับสังฆทานจริงๆนะฮะคือผู้ปฏิบัติก็จะต้องประกอบโดยสังฆคุณสีข้อแรกแต่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นภิกษุนะท่านเป็นคนปฏิบัติดีไหมปฏิบัติตรงไหมปฏิบัติเป็นธรรมไหมปฏิบัติสมควรไหม สื่การปฏิบัติลักษณะนี้ที่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระจะเป็นญาติโยมก็ปฏิบัติได้เยาวนก่อนไปจเจริญพุทธมนุษ์ในการยกช่อฟ้าจีวัตแห่งหนึ่งก็มีฤาษีซึ่งเคยพบกันสองสามครั้งแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้คุยกันเป็นกิจแต่ลักษณะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียกนาม เราก็เรียกแต่ฤาษีท่านั้นเองปรากฏว่าในขณะที่พระฉันเข้าเนี่ยาอดโยมไปล้อมฤาษีกันเยอะมากให้เขียนยันบ้างให้เขียนชื่อบ้างให้เสกคาถาอะไรตรแหงต่างบ้างมันก็เออมันก็แสดงว่าเป็นความศรัทธาเชื่อถือในตัวฤาษีเหล่านั้นซึ่งพระพุทธานาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะ พอเราพูดถึงการปฏิบัติการปฏิบัติอย่างนี้มันก็ทําให้เป็นเป็นคนดีส่วนผู้ปฏิบัติจะเป็นใครเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นพระเป็นสามเณรเป็นแม่ชีก็ไม่ได้ว่ากันภาษาโคในความหมายหนึ่งมันแปลว่าหมู่แต่นั้นเองเป็นคณะบุคคลทึ่นับสี่คนขึ้นไปนั่นคือภาษาของวินัย แต่ถ้าภาษาพระสูตรบางทีก็องค์เดียวอย่างพระอัญญากตนญยะถือว่าเป็นสังกรัรตนะรูปแรกในโลกก็คือองค์เดียวแต่ก็เรียกว่าสงแล้วเพราะว่าเป็นพระยาบุคคลเทวดาตนแรกมากล่าวเป็นลักษณะการเชิญชวนชักชวนนะฮะบอกว่าขาแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข ทานอย่างประโยชน์ให้สำเร็จได้เพราะความจนีและความประมาทอย่างนี้บุคคลจึงให้ทานไม่ได้อันบุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งพึงให้ทานข้อความตรงนี้คล้ายๆกับประสุตธ์แรกนะฮะในความมาประเด็นที่ท่านเห็นว่ามีปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการให้ทานเนี่ยคือความจนีกับความประมาท ก็หมายถึงพวกฐานอวัตถุเพราะคำว่าจะนีคือก็ก็มีสิ่งที่เราจะหนีสิ่งที่เราหวงสิ่งที่เราจนีสิ่งที่เราเสียดายหมายความว่าเราเป็นเจ้าของครอบครองอยู่พระบาลีจําแนกเอาไว้เป็นห้าประเภทก็เรียกว่าลาภามัจจริยะคือผลประโยชน์ทั้งหลายแล้วก็อาวาสมัจจริยะคือที่อยู่ แล้วก็กุลมัจรรยะก็คือสกุลเชื้อสายตลอดถึงในครัวญาติต่างๆเนี่ยฮะไม่ต้องการจะยุ่งเกี่ยวกับคนบางสกุลเป็นการยกตนข่มท่านดูถูกดูหมินกันธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้มันมีอยู่ทุกส่วนของโลกแม้แต่ในบุคคลปาก็ยังดูถูกดูหมินอีกฝายหนึ่งว่าต่ำกว่าตนตัวเองก็สูงกว่าคนอื่น เพราะงั้นมันก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นอาการของมานะอาการของชิฐิแต่ความประมาทก็คือประมาทในบุญยกรยาทั้งหลายที่จริงคำว่าประมาทเนี่ยมันกรอบปัรยายน่ไม่ใช่เรื่องของวัตถุทานอย่างเดียวแต่ว่าท่านพูดรวมๆ ว, ว่าเป็นไม่ประมาทในกุศลจริยาทั้งหลาย การกระทำอะไรก็ตามด้วยความฉลาดและคนก็ไม่กระทำานี่ก็ชื่อว่าประมาททีนี้ท่านก็แสดงว่าบุคคลจึงให้ทานไม่ได้เพราะความตนีกับความประมาทเนี่ยดังนั้นผู้หวังบุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งคือรู้คุณ ความดีของการให้ทานรู้โทษของการเตือนีแล้วก็ต้องพยายามให้ทานแต่ท่านบอกว่าพึงให้ทานนะไม่จะบอกว่าให้ทานแต่ต้องให้ทานคือบอกว่าพึงให้ทานเป็นลักษณะการเสนอเนะ่เป็นลักษณะของการเสนอนะ่หมายความว่าเขาเหนด้วยก็ให้เขาไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงคือลักษณะเขงศาสนาก็พูดอย่างนี้แหละ เราไปบอกว่าต้องหรือห้ามหรืออย่าหรือจงอะไรมันไม่ได้เราไปสั่งเขาอย่างนั้นไม่ได้เป็นการชี้บอกขนทางชี้ควรประพฤติก็ควรเว้นแต่เขาจะเว้นหรือไม่เว้นประพฤติหรือไม่ประพฤติก็อยู่ที่เขาเทวดาตนที่สองนั้นข้อความตัดต้นเหมือนกันกาแต่พระองค์ผู้นิรุตุก ทานยังประโยชน์ใสนสาเร็จได้หมายความว่าทานเนี่ยมันเป็นที่มาของออสิ่งดีงามทั้งหลายก็เรียกว่าตั้งแต่พบชาติที่มันประณีตหมายความด้วยผลของการให้ทานเนี่ยทำให้เราบังเกิดในพบที่ประนีตเพราะภูมิจิตเป็นประณีตพบที่อุบัติจึปประณีต แล้วก็สมบูรณ์ด้วยพวกกสมบัติบางการบังเกิดในสกุลที่มั่งคั่งร่ำรวยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีหลอตถึงการทรหารดีเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็เป็นป ภ, ภูเพกตะปุญญตาเราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะฮะบางทีเราก็พูดว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จริงถ้าเราตั้งใจเลือกมันก็เลือกได้นะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งสุคติไว้แล้วเหตุแห่งทุคติไว้แล้วเหตุของการเกิดในพรหมโลกไว้แล้วแม้แต่เหตุในบรรลุมรรคผลนิพพานก็ทรงแสดงไว้แล้วแต่เราต้องการเลือกเราก็เดินไปบนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้เราก็สามารถที่จะบังเกิดในภพในภูมิที่มีความประณีตขึ้นไปได้โดยลําดับ ที่ในการประกอบอาชีพก็ทํามาหากินก็คล่องแล้วก็ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะไม่ค่อยอันตรธ า, านไปได้ง่ายๆเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พระบุญนี่มันโจรลักขโมยไม่ได้ก็มีสิ่งเดียวนะฮะที่โจรลักขโมยไม่ได้โลกวัตถุทั้งหลายก็โจรลักขโมยได้ทั้งนั้น แม่แต่พื้นที่ที่เราถือครองครอบครอ ง, ร อ, งอยู่ก็มีการลักกานขโมยได้แล้วท่านบอกว่าทานยังประโยชน์ให้สําเร็จได้แหลอันหนึ่งแม้เมื่อของมีอยู่น้อยของมีอยู่น้อยทานก็ยังประโยชน์ให้สําเร็จได้ ท่านก็ บ, บอกว่าบุคคลพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็ย่อมแบ่งให้บุคคลพวกหนึ่งมีของมากก็ให้ไม่ได้ทัศิณนาที่ให้แต่ของน้อยก็นับเสมอด้วยพันอันนี้ก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างของกานบุญเสฐีซึ่งเดินทีก็คือบุญท้ตทันองค์ประกอบของท่านครบสี่ข้อที่กล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ย แต่ว่าสิ่งนี้ท่านวายที่จริงคือไม้ชำรักฟันเ้าก็ตัดเอาในตรงนั้นแหละภาษาริบุตานออกจากานิโรธสมาบัติใหม่ๆก็พิจารณาแล้วก็จะไปโปรดคนคอย่กุณณนะท่านก็เดินไปผ่านที่ท่านกะลับบงไถนาอยู่แกก็เห็น <Okay. S 1> แล้วก็ดีใจมาก แต่ไม่รู้จะอะไรถวายเพราะไม่มีอะไรในมือแต่ก็เ้ามืดนะก็เลยก็ถวายไม้จำรักฟันส่วนมากก็เป็นไม้นี่แหละไม้สเสดาเนี่ยคือเขาเคี่ยวไม้จำรักฟันนะฮะอินเดียทุกวันยังเคี่ยวไม้จำรักฟันอยู่มันบอกฉันว่าคนอินเดียฟันจะขาวมากเคี่ยวไม้จำรักฟันแล้วก็สเสดา ไม้สเสดาก็ทำประมาณสักคืบหนึ่งฮะเคี้ยวก็จะหมดแล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถึงก็เป็นประโยชน์แก่ฟันนะฮะทำให้รากฟันแข็งแรงแล้วฟันขาวฟันสะอาดดีแล้วก็ปัญญ า, า, า, าก็ได้ถวายอาหารซึ่งเตรียมมาให้ท่านรับประทานที่นาถึงตั้งก็ต้องทนหิวฮเพราะว่าถวายหมดแล้วก็ ต้องกลับไปหุงใหม่แต่ในวันนั้นแหละท่านก็ได้กลายเป็นเศรษฐีเป็นผลบุญที่ทักเรียกักษณะดดบรรดาหรือในส ม, มุนมาลากาอย่างนี้ก็โยนพวงมันลิขึ้นไปบูชาพระพุทธเจ้าโยนขึ้นไปในอากาศเพราะว่าคนห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่เยอะท่านเข้าไม่ถึงท่านก็เลยโยนขึ้นไปบนอากาศ ประกาศเป็นพุทธบูชาฐานะกองทางก็เปลี่ยนแปลงในวันนั้นเหมือนกันคือจากนายอุทยานบาลคนหนึ่งก็กลายเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเพราะการให้ทานอย่าไปพูดประเด็นของมากของน้อยมันอยู่ที่เจตนาแม้แต่ของยาประณีตเนี่ยคือเขาพูดในกรณีที่เรามีครบ หมายว่าหมายความมกของที่ประณีตเราก็มีของขนาดกลางเราก็มีของที่หยาบหยาบเราก็มีไอ ต, ตัวเนี้ยที่ท่านแบ่งเป็นาาธาตุสถานสหายสานแล้วก็สามีฐานเนี่ยแบ่งอย่างนี้หมายความว่าของเรามีครบสามอย่างแต่เราให้ของชนิดเลวก็เรียกว่ า, า, าธาตุสถานให้ของชนิดกลางก็เรียกว่าสหายสาน ให้ของที่แม้เราเองก็ยังไม่ค่อยรับประทานเนี่ยไม่กล้ารับประทานเนี่ยก็เรียกว่าสามีทานแต่ที น, นี้ถ้าเขาันมีอย่างเดียวอ่ะเขาเท่าไหร่ก็เท่ า, ทา น, นั้นแหละก็ให้ไปเท่าที่มีซึ่งในสมัยพุทธกาลบาัญชีเป็นอาหารที่ตัวเองกำลังบริโภคอยู่ใดยซ้าไปพอเห็นพระพุทธเจ้ามันไม่มีอะไรจะให้อ่ะ เลยก็ตัดสินใจเอาอาหารที่ตนหรือกำมังบริโภคค้างอยู่แต่ที่สำคัญคือตัวเองยังไม่อิ่มเหมือนกัน ถ, าถาวายพระพุทธเจ้าหรือนางปุณณธาสีถาวายแป้งจีแป้งจีก็แป้งธรรมดาเนยก็ทำเป็นขนมแล้วก็รงไฟจนมังยังไม่สุกหรอกแต่ว่าเธอก็เดิน ถือไปอพลิกไปพิกมาบนฝ่ามือจนสุกถวายพระพทุทธเจ้าก็เป็นผลเป็นอนิสงฆ์มากวันบางครั้งบางคราวเราได้ยินมีการพูดในลักษณะจะต้องถวายมากๆจะต้องถวายของที่ประนีตคขื่อนมากๆถ้าคนมีมากศรัทธามากทรัพย์มากก็ถวายไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าศรัทธามากทรัพน้อยอย่าไปถวายมากมันเดือดร้อนเพราะประเด็นที่เราจะต้องจับประบุญส่วนผลก็คือความสุขสุขเกษต่างอธิวัชน์จานังตุกก่อนภิกษุทั้งหลายกับมาบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขนั่นเองเพราะถ้าทำสิ่งที่เรีย้ว่าบุญแล้วเกิดทุกข์มันไม่ใช่แล้วทำผิดแล้ว เพราะเราดูง่ายๆก็แล้วกนันนะฮะทานเนี่ยมันเป็นมรรคสาตว์ผลผลจากทานก็คือเป็นอาการของนิโรธสัตว์ก็คือสุขคือสงบคือปิติคือเยือกเย็นมากน้อยไม่รู้ก็แล้วแ ต, แต่แต่คุณภาพจิตของคนแต่ความรู้สึกปิติประโมทของคนที่จะเกิดได้มากหรือได้น้อยก็ตามตามแต่ว่าใครจะเกิดความรู้สึกยังไง เทวดาต้นต่อไปได้กล่าวเป็นลักษณะเปล่งอุทานคือท่านบอกก็เปล่งอุทานอุทานเนี่ยมันเป็นสมนัตมันเกิดจะปีติสมนัตแล้วก็เปล่งออกไปเป็น ค, คําคมๆอย่างที่เคยบรรยายเรื่องอุทานนะฮะอุทานเนี่ยเอามาว่าว่ามาหมดเลยแปดสิบประคอ ก็ว่ากันกันนานหลายเดือนนะครับนันน่ก็ที่จริงก็เป็นหนึ่งในนวังกัสตุสศาตร์เป็นคำสอนที่มีองค์ก้าประการของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เทวดาก็อุทานแต่ว่าอุทานต่อพระพักพระพุทธเจ้าเพื่อไปสรุปที่จะมีตนหนึ่งคือการทุนถาม ว่าคำพูดของใครเป็นสุภาษิตรหรือไม่เป็นสุภาษิตก็ความที่ขึ้นต้นก็ต่อกันไปบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แหละแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้อันนี้เพิ่มประเด็นขึ้นประเด็นแรกก็คือซ้ํากับที่ว่าไว้แล้ว นิ้ทานที่ให้ด้วยศรัทธาเนี่ยเราจะต้องมองว่าศรัทธาเนี่ยมันมีความผ่องใสแล้วเราสังเกตเราเราศรัทธานในใจเราจะผ่องใสเจนไปเจอไปไหว้กราบพระพุทธรูปด้วยใจที่ศรัทธานในใจเราจะผ่องใสแล้วมีคนบางคนที่เดินทางไปที่ออยพราตอินเดียเนี่ยไปแล้วไปอีกโยบางคนที่รู้จักเนี่ยไปถึงสิบกว่าครั้ง เดินทางในเดียที่จริงก็ค่อนข้างลำบากนะยุ่งยากถต่วันไปแล้วมันได้ได้เกินที่เราคาดหมายคือความสุขความสงบความยึกเย็นความปิติปราโมทที่ปรากฏภายในใจเราทึ่เราหาในะที่อื่นไม่ได้จะต้องไปในสถานที่เหล่านั้นแะแต่ว่ามันก็มีข้อแม่นะว่าต้องมีพื้นฐานทางศรัท ธ, ธา ศรัทธามันทำหน้าที่ขจัดอสัตติยะคือความไม่เชื่อแล้วก็ขจัดความเคร่ยดแข็งสงสัยซึ่งชัดเจนว่าเป็นอาการของโมหะแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันไปขจัดกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะนะประเภทตัณหาได้โดยลองสังเกตว่าเราศรัทธาในวัตถุบุคคลใดเนี่ยเราไม่อยากได้อะไรจากท่าน แต่เราอยากจะถวายอยากจะให้ถ้าได้ให้แล้วเราจะรู้สึกเป็นสุขแต่ทีนี้ถ้ารับจากท่านเนี่ยแม้ของเบียเล็กน้อยเนี่ยมันมันก็เกิดปิติประโมทเป็นขวัญเป็นกำลังใจแต่เก็บไว้ด้วยความชื่นชมเป็นที่ระลึกเพราะศรัทธาจึงทาหน้าที่ขจัดความขุม่นมโวซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสประเภทโมหะ แต่ที่โภโมหะมันลดเรีออยนหลืมมันโลภะมันก็ลดราคามันก็ลดโทสะมันก็ลดเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เราศรัทธาสมมุติว่าท่านจะตำหนิติเตียนดุดาอะไรเราเราก็จะไม่รู้สึกโกรธแล้วรู้สึกรู้สึกสบายใจถึงซ้าไปก็มีวันหนึ่งไปไปใน ง, งานที่เล่าให้ฟังเนี่ย แต่กดรักษาการจะว่าซึ่งที่จริงเขาก็มีศักดเป็นลูกศิษย์นะฮะเคยอบรมสั่งสอนเขามาโือพระกรยาดโยมเนี่ยเขาก็ก็ก็พูดดุแต่ดุแบบแบบหลวงพ่อคูณ อ, อ่ะพระยโยมที่ได้ยินก็บอกว่าอย่างงั้นแหละปากเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าใจดีคือบางทีคนเขามีวาสนาเขาอย่างงั้น จะมีลูกศิษย์องค์หนึ่งก็มีคนมาเล่าแล้วเราเราก็นึกไม่ออกเพราะเป็นเราเจอเขามีความอ่อนน้อมเหลือเกินเขาบอกว่าอามาก็บอกว่าก็ไม่เคยเห็นนะก็บอกถ้าถ้ากับครูบาอาจารย์กับพระผู้ใหญ่แล้วท่านจะอ่อนน้อมแต่กับลูกศิษย์เนี่ยครูน้อยนี่จะดุมากแต่จิตใจเขาก็อ่อนโยนะนะ เป็นความมุ่งดีเป็นความปรารถนาดีไม่ได้เกิ ด, เ, ดเกลียดกรูอะไรแต่ว่ามุ่งดีปรารถนาดีแล้วข้อต่อไปก็บอกว่านักปราดทั้งหลายกล่าวว่าทานและการรบเส ม, มอกันคือการรบแต่จริงมันเป็นการต่อสู้ต่อสู้กับความขาดกลัว ต่อสู้กับความเย่้อใหญ่อะไรในชีวิตต่อสู้กับความวิตกกังวลถึงบ้านถึงครอบครัวถึงลูกถึงเมียถึงอะไรจะอะไรสารพัดนะฮะวันถ้าใจเราวิตกกังวลละล้าละลางอย่างนั้นมันทําสงครามไม่ได้คนตั้งสงครามมันต้องลุยเวขา้างแล้วก็มีเป้าหมายอยูท่ทีการชนะ ในการให้ทานก็คือรบกับความสนีรบกับความโลภรบกับความหวงรบกับความเสียดายาๆๆก็ต่อสู้กับกิเลสเยอะอย่างที่เคยพูดไว้ในวันก่อนเนี่ยว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อต้องการจะให้ทานเนี่ยพอจิตตุปบาร์แรกมันเกิดเป็นกุศลและเจตนาจะให้เนี่ยต้องรีบให้ ถ้าให้ไม่ได้เลยโอกาสจะให้ในคราวนั้นน่ยมันจะยากเพราะว่าความจะหนีท่านเรียกว่ามัชเชรจิตคือจิตที่จะนีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นซ้ำซากเป็นร้อยร้อยพันพันต่อเนื่องกันยาวเหยียดเลยแล้วจนจิตมันมันล้านะฮะคือไม่สามารถจะให้ได้เพราะจิตจึงเป็นสนามยุทธที่ต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศล ต่อสู้กับทั้งวันนะนะแม้แต่ฝันก็ยัต่อสู้กันนะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะเสริมความแข็งแกร่งของกุศลขึ้นภายในจิตการให้ทานที่จริงมันจบกระบวนยุทธอย่างหนึ่งนะฮะคือต่อสู้กันเลยเราต่อสู้กับโมหะคือถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของการให้ทานเน้นโทษของความเจริญนี่เราให้ไม่ได้ เราต้องต่อสู้กับโทสะคือถ้าคนนี้เราเกลียดอยู่เราโกรธอยู่นี่เราให้ไม่ได้เราต่อสู้กับมัจจริยะต่อสู้กับโลภะคือถ้าเรายังโลภในทรัพย์สมบัติ ต, ตรงนั้นยังเจนีในทรัพย์สมบัติ ต, ตรงนั้นเราก็ให้ไม่ได้พระตัตย์ยึงบอกว่าเหมือนกับสงครามอ่ะเหมือ น, นสงครามคือต้องต่อสู้แล้วจิตใจจะต้องไม่โยกครอนหวั่นไหวพลั้ พ, พึง อวลาเนี้ยก่อนให้ขณะให้หลังจากให้เนี่ยถ้าวบแบบวอกแว บ, บไปมันก็ผลอนนสูงมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วท่านก็บอกว่าพวกวีระบรุตแม้มีน้อยย่อมชนะคนขลาดที่มีมากได้ถ้าบุคคลเชื่ออยู่ย่อมให้สิ่งของแม้น้อยได้เพราะฉะนั้นแลรยก์ต่งาง ย, ย่อมเป็นผู้มีสุขในโลกหน้า ตอนในสงครามยกตัวอย่างวันในสงครามเนี่ยมันเราก็จริงว่าคนดีกล้าหานอาจจะมีจํานวนน้อยแต่ว่าเอาชนะข้าศึกหมู่ใหญ่ได้ตอนนองใกล้ๆ ก, กับสมเด็จพระนเรศวรมาราชหรืพระเจ้าตากสินมาราศเราจะเห็นว่าหรือถ้าเอาจํานวนคนน่ยมันก็รบไม่ไหวครับแต่ว่าเพราะท่านเป็นมีพ ร, ระาาบุรุษไปกระราชเาวังบวรพระ ผู้ที่ออาจุฬาโลกอะไรต่างๆในตอนที่สงครามปราบกกปราบบ้านเมืองต่างๆเนี่ยคนไม่มากหรอกแต่ว่ารบชนะได้เการต่อสู้กิเลสก็เหมือนกันคือถ้าหยิบใจอ่อนอ่อนแอ อ, นอย่างที่เคยบอกนะว่าสติสัมยาความเพียรเนี่ยต้องมีอยู่ตลอดแต่เราคาสักข้อเนี่ยมันมันจะไปไม่ได้ เราอาจจะมีสติสัมปญญะแต่ขาดความเพียรมันก็อยู่ๆกัที่อ่ะมันมันไปได้เฉพาะตัวความคิดแต่การพลังขับเคลื่อนที่จะให้สติสัมปญญะได้ทำงานเนี่ยมันมันไม่มีเพราะนันก็ต้องมีวิทยาด้วยแล้วก็ต้องมีความเชื่อมัน่นและจิตต้องนิ่งแต่จิตไม่นิ่งมันก็ยาก ดังนั้นถ้าบุคคลเชื่อเชื่อมั่นในเรื่องฐานเรื่องผลของฐานอ น, นิสงส์ของฐานการเชื่อก็แล้วแต่นะคือบางทีเราจะพบว่าพระเจ้าจะเล่านิทานเล่าประวัติของเทพบุะบุเทพธิดาต่างๆที่ได้สวรรค์ชั้นชั้นนี้ด้วยผลของฐานอย่างนั้นอย่างนี้เห็นประวัติของเท้าสกะเทวราชเราจะเห็นว่าก็จะเล่าเรื่องผลของฐาน ที่ทำให้เป็นเท่าสกเทวราชได้ว่าหลายเรื่องนะฮะและ้วาก็สรุปว่าเพราะเพราะเพราะฉะนั้นพระเหตุนั้นแหล ะ, ะทายกคือผู้ใหนะ้ผู้ให้ยอมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะทานเนี่ยมันจะยกยอดมันเหมือนกับหน้าบัญชีที่มียอดยกมาอยู่เรื่อย จากรายรับก็รายจ่ายยังไม่ดุลกันยังไม่เท่ากันเนี่ยมันต้องย่อจุกมาทั้งรายรับรายจ่ายพผลการต่อสู้ไปในะจิตใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นก็ต่อสู้กันไปเรื่อยเทวดาต้นต่อไปก็เปล่งอุทานเหมือนเดิมนะฮะคือข้อความต้นนี่เหมือนเดิมแต่พระองค์ผู้นิรุตุก ทานยังประโยชน์ให้สมเร็จได้แล้วแม้เมื่อของมีอยู่น้อยการให้ทานได้เป็นการดีอนหนึ่งทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์ในสมเร็จอนหนึ่งทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วยิ่งเป็นการดีและนี่เป็นเน้นที่ตัวผู้รับ หมาความว่าทานเนี่ยอย่างบอกองค์ประกอบเนี่ยมันมีผู้รับมันมีสิ่งที่เราให้มันมีตัวเจตนาในการให้หมายความองค์ประกอบหลักเนี่ยมันมีคนเกี่ยวข้องอยู่สามคนไม่ใช่คือทั้งคนทั้งสิ่งอะนะฮะหมายความผู้รับแล้วก็สิ่งที่เราให้แล้วก็เจตนาในการให้ของเราเรานั้นต้องมีสองอย่างที่จริงก็มีสามอย่างนะฮะมีมีสิ่งที่เราให้มีเจตนาในการให้ แล้วก็ทำการให้ออกไปซึ่งดูค่อยๆจะง่ายแต่มันไม่ง่ายซึ่งจะต้องต่อสู้กับปัญหาอุปศักด์ต่างๆเยอะ ท, ทีท่านบอกว่าทานที่ให้แก่บุคคลผู้มีธรรมอันได้แล้วคือพวกที่บรรลุธรรมทรงธรรมมีธรรมะเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเขาเรียกว่าเป็นทักกินในยบุคคล เป็นผู้ที่ควรแก่การรับทักษีนาคือการอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้มันเหมือนกับพื่ชนิดดีที่หวานลงในเนื้อนาที่มีคุณภาพกล้าๆเหล่านั้นก็จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นคือถ้าได้อย่างงั้นยิ่งเป็นการดีดให้เราสังเกตว่าท่านจะพูดขึ้นมาแต่ละจุดแต่ะจุดแบบไต่บันไดไต่บันไดขึ้นไปเรื่อย บอลกรได้ดูรายการเ้าสรุปรายการอถอดรหัสนคือได้ยินคำถามในวันจันในหลายครั้งเรื่องมีพระจีนมาเรียรเนี่ยเราก็นึกไม่ออกอะนะเพราะไม่เคยเห็นปรากฏว่ามาเป็นกังเลยฮะจากจีนก็คือกาะวาสนี่แหละ แล้วก็แต่งตัวจะเหมือนกันคือสวมมส่วนมากแล้วก็สวมเสื้อยืดนุ่งกางเกงขาดสั้นแล้วก็หิ้วกระเป๋าออกจากบ้านแล้วก็ไปหามุมยังไงก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดเป็นหลวงจีนแล้วก็ไปที่ไรโดยถือกระด า, าก็ถ้วยหรือกะลาเลยเนี่ยนะนะแล้วบางทีก็เขียนบอกวัตถุประสงค์ ซึ่งมันก็เป็นกรงเงกรงกำ ร, รยนะ่า น, น่งหรือคนของเราก็ไปเที่ยวปลอมเป็นพระเรียไรอยู่ที่สิงคโปร์อยู่เยอะเหมือนกันสิงคโปร์ี่ฮ่องกงนะฮะแต่มาเลเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนี่คือปัญหาที่เราสังคมต้องต้องยอมรับนะฮะว่าการที่เขาสามารถอาศัยเพศพระเป็นเครื่องมือในการหากินได้เนี่ย เขาแสดงว่าสังคมมุบบนทนเป็นที่ยอมรับนับถือศรัทธาของประชาชนสมมติว่าเขาจะปลอมเป็นพระไปได้ไรที่อ ท, ที่อะไรอะเอาไปรัสเซียอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือเวลาพูดถึงคนปลอมบวชแล้วเขาใช้คำว่าพระแล้วก็ใช้คำว่าพระเดี๋ยวนี้ด้วยนะ เป็นการพูดที่ขาดความรับผิดชอบและขาดเมตตาธรรมเพราะว่าคนที่เราพูดถึงเป็นพวกปลอมบวชมันจะเรียกว่าพระก็ไม่ได้เรียกว่าพระปลอมบวชก็ไม่ได้เพราะถ้าเป็นพระแล้วไม่ปลอมนะมีแต่คนที่ปลอมบวชเป็นพระเราจะเรียกว่าพระปลอมมันก็ก็ฟังยากนะ บางคนปร้อมเป็นพระเออฟังง่ายหน่อยแต่ว่าเราเราไม่ค่อยนึกถึงประเด็นตรงนี้วันก่อนนักข่าวโทรทัศน์ช่องเนี้ยเขาก็ไปที่กุติแล้วก็ล่าเขาฟังว่าเราก็เจอปัญหานี้อยู่เยอะนะที่โจมตีสถานีของคุณว่ามุ่งที่จะทำลายระศาสนา มันช่วยกันคิดได้รอบครอบหน่อยเดี๋ยวก็สื่อสารให้เป็นธรรมคือหมายความคนปลอมบวชเป็นพระคุณก็ต้องบอกว่าคนปลอมบวชมันไม่ใช่บอกว่าพระปลอมพระปลอมบวชเนี่ยมันเป็นไปไมได้แต่คนปลอมบวชเป็นพระเนี่ยมันเป็นไปได้เพราะถ้าเป็นพระแล้วก็ไม่ได้ปลอมอะแต่เป็นคนแล้วก็แต่งชุดพระเนี่ยก็เรียกว่า คนปลอมเป็นพระหรือปลอมเป็นหลวงจีนคนที่รับรู้เขาก็แยกออกแต่ถ้าเราพูดคลุมคลุมเนี่ยมันจะพูยแยกยากทีนี้ท่านบอกว่าบุคคลใดเกิดมาย่อมให้ทานแก่ผู้มีธรรมอันได้แล้วหมายความว่าท่านเหล่านั้นมีบรรลุ ธ, ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นสมมติว่าเขาตั้งมั่นอยู่ในศีล หรือมากไปในเมตตากรุณาหรือมีความเสียสละหรือว่าอุทิศตนเพื่อส่วนรวมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นที่ตั้งของทานทั้งนั้นหมายความว่าเป็นผู้ควรแกการยกย่องสรรเสริญบูชาของคนทั้งหลายทางนั้นทำอันบรรลุแล้วด้วย ความมั่นและความเพียรคือหมายความว่าการการบรรลุธรรมก็เหมือนกับการได้เงินได้ความรู้ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นแหละมันคนก็ต้องมีความเพียรมีความมันขยันในการปฏิบัติภารกิจการงานมันไม่ใช่อะไรจะมาได้รอยๆนะไอ้ความรอยๆมันก็พูดแบบฝันมันก็ได้ แต่ว่าอย่างวันก่อนที่มีข่าวเรื่องอะไรน้ําน้ําผุดขึ้นมาที่จังหวัดแพร่คือเราเห็นแล้วก็อึดอัดนะนะว่าทําไมพี่น้องเราเรื่องขนาดนี้ไปตื่นเป็นน้ําเทวดาน้ําชิพน้ําศักดิ์สิทธิ์ได้ไงมันก็เคลอะนะฮะก็เราก็เห็นอยู่ว่ามันยังมีดินโครนอยู่เยอะเลยจุดไปจุดมาปรากฏว่าเป็นน้ําที่ไหลมาจากท่อประปาที่แตก ท่อประปากเก่าที่แตกแล้วก็หายเหือไปแล้วตอนนี้แต่เนี้ยมันมั น, ม, นมันทำยังไงเราจะแก้ได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแต่ละจุดมันมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่มันไม่มีที่ไหนที่ว่างจากคนเึื่ึงเป็นข่าวขนาดนั้นมันต้องมีคนซึ่งมีวุธิภาวะพอที่อธิบายชี้แจงให้ญาติโยมเข้าใจ หรืออาจจะเอาเครื่องอะไรมาตรวจให้เห็นเชื้อโรคต่างๆนะเจนวงการแพทย์จะเนี้ยเขาก็มีเครื่องมือในลักษณะนี้อยู่เพื่อจะให้เหตุผลให้สติปัญญา ก, กันหน่อยทีนี้ถ้าหากว่าคนมีความหมั่นขยันมีความเพียรเนี่ยมันทุกเรื่องแ่ะแต่ต้องถูกทางนะทำาดยมีสติสัมปชัญญะ บุคคลนั้นล่วงพ้นนรกแห่งย ม, มาราชยอมเข้าถึงสถานอันเป็นทิพย์อันนี้ก็พูดทั้งสองทางนะฮะหมายความปฏิเสธนรกว่าคุณคุณคุณปิดประตูนรกได้ปิดปิดประตูนรกแล้วไปไหนอย่างน้อยที่สุดนี่ก็บังเกิดในสวรรค์พอไปการพูดอในสุขของทานนะฮะแต่ยันที่บอกไว้ว่าเรื่องทานเราอย่าไปติดใจในวัตถุทานในมาก สังคมเราเนี่เป็นสังคมของความรุนแรงคือขาดเมตตาทมกันอย่างแรงเวนี้แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นหลักะนะเรียกร้องสมานฉันกันโดยวิธีการต่างๆสารพัดรู้รักสามัคคีเพื่ออะไรเ่ะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินอะไรแต่สารพัดเลร แต่คนที่พูดอย่างเนี้ยมันก็สร้างคอนแตกแยกเพราะในคำพูดเดี๋ยมันเกิดแบ่งแยกแล้วก็เป็นสารที่ตัดสินคนอื่นไปแล้วผิดไปแล้วเลวไปแล้วชั่วไปแล้วคือคนไม่สังเกตฮะคนคนตื่นเต้นกับเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองมากเกินไปว่าพวกกลุ่มที่มีอำนาจใหม่อยู่เนี้ย มันมีอยู่หลายคนนะฮะที่พูดไม่สร้างสารรค์เลยแล้วก็ไปแบ่งแยกประชาชนเป็นฝักเป็นฝ่ายเ้ยวก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่นึกว่าเอ๊ะทำไมอะทำไมในว่าสร้างสมานฉันละ่ะสมานฉันนั้นเป็นความรู้สึกเป็นมิตรต่อกันนะฮะมันเป็นการอุดช่องว่างทางสังคม ทีนี้ถ้าปล่อยช่องว่างทางออกเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยมันไม่มีทางสม า, านฉันด้วยหรอกแล้วพอเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็อีกฝ่ายที่ไม่มีโอกาสใช้สื่อเนี่ยจะกลายเป็นแพ้รับบาพปพวกมีโอกาสใช้สื่อก็จะใช้สื่อแสดงความสะใจกันตัวเองแล้วความสงบสุขภายในชาติบ้านเมืองจะเกิดได้อย่างไง ในเมื่อจิตใจของคนในสังคมไม่ค่อยจะสงบเท่าที่ควรเพราะทานเนี่ยที่จริงมันต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อคนที่เราให้นะแต่ไม่งั้นเราก็ให้ไม่ได้มันจึงเชื่อมโยง ก, กันกับเรื่องของสมาัิต้องฟังต่ไาย เสียงธรรมจากมหาตรไลศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี